บทคำกล่าวขอขามาโดยพระอาจารย์วันอุตตโมพระอุปถาผู้ไกลชิดพระอาจารย์มั่นอีกรูปหนึ่งกราบพร้อมกันสามครั้งว่านโมสามจบข้าแต่ท่านพระมหาเทระผู้เจริญโดยความเป็นไปที่ล่วงเกินอันใดได้ถึงทับแล้วซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นคนพาลผู้เป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาด ด้วยประการใดจำเดิมแต่เกิดมาอาศัยความประมาทโดยอุบายไม่แยบคายได้กระทำความไม่เคารพในท่านพระอาจารย์ผู้เป็นพระมหาเถระที่ทรงไว้แล้วซึ่งพระคุณอนหน่าเคารพสักการายิ่งด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแล้วระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอท่านพระอาจารย์ ได้เมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งโทษอันเป็นไปล่วงเกินนั้นโดยความเป็นโทษอันล่วงเกินของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะสำรวมระวังต่อไปและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทิน